การฟังเทศฟังธรรมเป็นการหาความเห็นที่ถูกต้องหาความเข้าใจในสิ่งที่เราไม่เข้าใจกันในสิ่งที่เรายังสับสนกันอยู่ยังมีความเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงสิ่งที่เรา ยังมีความสับสนอยู่ก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมนี่แหละเราได้ยินกฎแห่งกรรมกันมาตั้งแต่เกิดแต่เชื่อไหมว่าเรายังไม่รู้ว่ากฎแห่งกรรมนี้หมายถึงใครมีผลต่อใครตามความเข้าใจของพวกเราเรามักจะไปเห็นว่ากฎแห่งกรรมนี้ มีผลต่อร่างกายพอมันไม่มีผลเราก็เลยสับสนกันกฎแห่งกรรมบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ทำไมจึงมีคาพูดว่าทำดีไม่ได้ดีมีถมไปทำชั่วได้ดีมีถมไปว่าเราไปมองที่ร่างกายอ ถ้าเราไปมองที่ร่างกายว่าเป็นผู้กระทากรรมและเป็นผู้รับผลของกรรมก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นความเห็นที่ถูกต้องกฎแห่งกรรมนี้มีไว้สำหรับกรรมกับดูแลจิตใจไม่ใช่กรรมกับดูแลร่างกาย ควบคุมบังคับหรือให้ผลดีผลเสียต่อจิตใจไม่ใช่ที่ร่างกายกดแห่งกรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายกดแห่งกรรมนี้เกี่ยวกับจิตใจเพียงอย่างเดียวส่วนร่างกายนี้แล้วแต่เหตุการณ์ ทำดีแล้วไม่มีใครเขาชื่นชมยินดีไม่ได้รับรางวีรางวันไม่ได้รับการชมเชยสรรเสริญก็มีทำดีแล้วได้รับการสรรเสริญยกย่องได้รางวีรางวันก็มี ถ้ามองที่กฎทางร่างกายนี้ต้องมองว่ามันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ทำบาปทำชั่วทำผิดกฎหมายยังได้เป็นนายกก็มีได้ได้ตำแหน่งทำผิดแล้วไม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางก็มีนี้นี่คือเรื่องของ การกระทำทางร่างกายตามหลักของกฎแห่งกรรมนี้ไม่ถือว่าร่างกายเป็นผู้กระทำกรรมไม่ถือว่าเป็นผู้ทำดีหรือทำชั่วเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นผู้ที่ทำดีทำชั่วนี้คือใจคือผู้รู้ผู้คิดถ้าใจไม่คิดไม่สั่งให้ร่างกาย ไปทำดีทำชั่วร่างกายก็ทำไม่ได้น่างกายก็จะไม่ทำการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายนี้ต้องรอคำสั่งของใจก่อนวันนี้ญาติโยมมาที่นี่ได้เพราะอะไรไม่ใช่เพราะความคิดเลยคิดว่าวันนี้จะมาวัดจะมาทำบุญ อันนี้ไม่ใช่มาจากร่างกายร่างกายไม่มีความคิดร่างกายมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายไว้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเท่านั้นแต่ผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้มาเป็นสามีภรรยากับร่างกาย ตอนที่ร่างกายนี้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาในท้องแม่พอพ่อกับแม่มีการประสมพันธุ์กันก็จะมีร่างกายปรากฏขึ้นมาพอมีร่างกายปรากฏขึ้นมาก็จะมีใจที่ตอนนั้นเรียกว่าดวงวิญญาณก็จะส่งกระแสวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายทันที ตอนต้นก็เกาะที่กายก่อนวิญญาณจะส่งมาเกาะที่กายเพราะตอนที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวนี้มีแต่กายยังไม่มีตายังไม่มีหูยังไม่มีจมูกยังไม่มีลิ้นต่อมาล่างร่างกายก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเริ่มมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นตามลำดับใจก็ส่งกระแส วิญญาณมาเกาะที่ตาเกาะที่หูเกาะที่จมูกเกาะที่ลิ้นตามลำดับแล้วเวลาคลอดออกมาจากท้องแม่ตาก็เริ่มทำงานหูก็เริ่มทำงานตาก็เริ่มเห็นรูปหูก็ได้ยินเสียงแล้วก็ส่งไปที่ใจส่งไปที่ดวงวิญญาณที่เป็นผู้รู้ผู้คิด พอเห็นรูปก็คิดว่ารูปนี้ดีไม่ดีสวยไม่สวยพอได้ยินเสียงก็คิดว่าดีหรือไม่ดีไพเาาราะหรือไม่ไพเราะพอคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นม า, อ, าอยากได้เสียงนี้อยากได้รูปนี้ก็สั่งให้ร่างกายไปเอาเสียงหรือรูปที่อยากได้มา เนผู้ที่กระทาคือใจผู้สั่งให้ร่างกายไปเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาด้วยการกระทตาต่างๆบางทีก็กระทาบาปบางทีก็ไม่กระทาบาปส่วนใหญ่พอเกิดมาใหม่ๆนี้จะทำบาปก่อนเลยเด็กไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเป็นของใครเลยเห็นแล้ว อ, อยากได้ก็ไปคว้ามามับเลย พวกเราเป็นขโมยตั้งแต่เด็กใช่ไหมตั้งแต่เกิดมาจากออกมาจากท้องแม่เนี่เห็นของอะไรอยู่ในบ้านนี้อยากได้ก็คว้ามาเลยแต่เราไม่ถือว่าเป็นขโมยกันเพราะเรายัางถือว่าเป็นเด็กไร้เดียงสายังไม่รู้ผิดถูกดีชั่วยังไม่มีใครสั่งใครสอน น้ของที่เด็กเอาไปก็ไม่ใช่เป็นของมีคุณค่าราคาอะไรก็เลยยังไม่ถือว่าเป็นขโมยแต่ตามกฎแห่งกรรมนี้เป็นขโมยแล้วตั้งแต่เกิดมานี่ทำบาปข้อที่สองลักทรัพย์เอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเพราะไม่รู้ว่าผิดเพราะยังไม่มีใครสั่งใครสอน โตขึ้นมาทีนี้จะมีคนสอนไปโรงเรียนเห็นของเพื่อนอยากได้ก็เลยหยิบมาเพื่อนก็ไปฟ้องครูว่าหนูขโมยของเพื่อนไปไม่ได้ต้องมีการลงโทษถูกตีก็จะมีการเรียนรู้ตามลำดับแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าผู้ที่กระทา บุญเนื้อก็ทำบาปนี้เป็นใจอยู่ดีเราไม่เห็นใจเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าใครกันแน่เป็นผู้กระทําเราก็เลยคิดว่าเป็นร่างกายเพราะเราเห็นร่างกายเราไม่เห็นใจเหมือนกับ อ, อคุณก็บอกหุ่นที่เขาฉิบชักกัน เราเห็นแต่ตัวหุน่นเราคอนหุ่นนี่เราจะเห็นแต่ตัวหุน่นแต่เราจะไม่เห็นผู้เชิดหุน่นหุ่นนี้มันมันทำอะไรเองไม่ได้แสดงอะไรเองไม่ได้มันต้องรองให้คนเชิดเป็นคนคอยเชิดให้มันน้องลำทำเพลงไปอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่เคยเห็นใจเพราะใจไม่มีรูปร่างหน้าตา เหมือนกับร่างกายเราเห็นแต่ร่างกายเราเห็นแต่ร่างกายเป็นผู้กระทำดีกระทำชั่วเราก็เลยคิดว่าผลต้องเกิดที่ร่างกายผู้ที่ทำดีต้องได้รับรางวัลผู้ที่ทำชั่วต้องได้รับการลงโทษแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันเพราะ ทำดีบางทีก็ไม่ได้รับรางวัลไม่ได้รับการยกย่องเยือนยอ่อสรรเสริญทำาชื่อไม่ได้รับการลงโทษเราเลยไม่เชื่อกฎแห่งกรรมกันถ้าเราไปมองที่ร่างกายเราจะไม่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมนี้มีจริงเพราะทำดีไม่ได้ทาดีไม่ได้ดีทำาชื่อได้ดีมีถมไป อันนี้จะเป็นความรู้สึกที่ตรงกับความเป็นจริงนะอันนี้ไม่ไม่เถียงใครพูดอย่างนี้ก็ถูกบางคนทำดีแทบเป็นแทบตายไม่มีใครเห็นความดีเลยบางคนทาความเชื่อก็ไม่มีใครเห็นความชั่ว <c oughs> เพราะว่าดีไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับร่างกายกฎแห่งกรรมนี้เกี่ยวข้องกับจิตใจเหตุนขอให้พวกเราทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าผู้กระทำกรรมและผู้รับผลของกรรมนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของผู้กระทำคือใจเหมือนกับจอร์นนี่ เขาเอาปืนใช้มีอาวุธปืนไว้ไปป้นไปจี้ไปฆ่าคนแต่เวลาติดคุกตำรวจเขาเอาโจรไปเข้าคุกเขาไม่เอาปืนไปติดคุกด้วยเพราะปืนนี้ไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำปืนนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือของผู้กระทำอีกทีหนึง่งชั้นใดร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนปืน เป็นเครื่องมือของผู้กระทาผู้กระทาความดีผู้กระทาความชั่วนี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของการกระทาชั่วทำดีผู้ที่กระทาคือใจผู้สั่งแล้วก็ผู้ขยับร่างกายนี้ขยับได้นีขยับเพราะใจยอยู่ดีๆถ้าไม่มีใจนี้ร่างกายก็นอนแข็งทื่ออยู่ คนตายนี้ไม่มีใจแล้วทำกรรมทำบุญไม่ได้แล้วทำบาปไม่ได้ทำบุญไม่ได้เพราะผู้ที่กระทำไม่ได้อยู่กับไม่ไม่ได้อยู่ไม่ได้สั่งไม่มีการติดต่อกับร่างกายแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องมาทำความรู้จักทำความเข้าใจเราจะได้ เราจะได้เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเราจะได้ใช้กฎแห่งกรรมนี้มาทําประโยชน์ให้กับเราอมาช่วยกําจัดโทษกำจัดภัยต่างๆให้กับเราแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าใครเป็นผู้กระทํากรรมใครเป็นผู้รับผลของกรรมอยู่เราก็จะ ไม่สามารถรับประโยชน์จากกฎแห่งกรรมนี้ได้ถ้าเราไปมองที่ร่างกายว่าเป็นผู้กระทำกรรมเป็นผู้รับผลของกรรมเราก็จะไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเพราะกฎแห่งกรรมพูดกฎแห่งกรรมบอกไว้อย่างหนึ่งแต่ผลมันเป็นอีกอย่างหนึ่งความจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งคนทำบาปแล้วทำไม ไม่ได้รับผลบาปคนทำบุญแล้วทำไมไม่ได้รับผลบุญทำไมบางคนได้รับบางคนไม่ได้รับก็เพราะว่าผู้ที่กระทำกับผู้ที่รับนี้ไม่ได้เป็นร่างกายนั่นเองเหมือนกับเราไปมองที่ปืนเ้วก็ถามว่าทำไมเวลา เวลาปืนนี้ฆ่าคนตายทำไมไม่เอาปืนไปติดคุกติดตารางทำไมเอาคนที่ใช้ปืนไปติดคุกติดตารางหรือเวลาขับรถยนต์เนี่ยชนคนตายเนี่ยทำไมไม่ไปปรับที่รถยนต์ทำไมไม่ไปเรียกค่าปรับเรียกค่าเสียหายที่รถยนต์ทำไมไปเรียกค่าปรับค่าเสียหายที่คนขับนั่นแหละ ก็เพราะว่ารถยนต์นี้เป็นเพียงเครื่องมือของคนขับคนที่ทำผิดคนที่ทำให้เกิดความเสียหายนี่ไม่ใช่รถยนต์คนที่ทำให้เกิดความเสียหายคือคนขับถ้าไม่มีคนขับนี่รถยนต์จะไปทำอะไรเสียหายให้กับใครได้หรือเปล่าเห็นไหมเวลารถยนต์ไม่มีคนขับมันทำไงมันก็จอดอยู่กับที่นั่นเอง ไปดูที่ลงจอดรถนี่มีรถยนต์เต็มไปหมดเลยเแต่ไม่มีคนขับแล้วก็ไม่มีภยัยรถยนต์ที่จอดหยืนตามลงจอดรถนี่มันไม่มีพิษมีภัยกับใครไอรถยนต์ที่มันมีพิษมีภัยกับคนก็คือตอนที่มันวิ่งนอตอนที่มีคนขับรถน่ะ ตอนนั้นแหละมันเป็นอันตรายเนี่ยชนกันตายก็ที่ชนกันก็เพราะคนขับนี่แหละไม่ใช่เพราะรถเนี่ยเวลาซื้อรถใหม่ไม่ต้องไปเจิมรถเนี่ยรถมันไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครให้ไปเจิมคนขับ เ, เวลาซื้อรถใหม่นี้ให้ไปเจิมคนขับให้ขับด้วยความไม่ประมาทเอเมาแล้วไม่ขับยอย่าดื่มสุราขับรถ อย่าใช้มือถือในขณะขับรถอ ย, อย่ากดอย่าส่งข้อความดูข้อความขณะที่ขับรถเนี่ยเพราะมันจะทำให้เกิดความประมาทขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเกิดมีอะไรกระทันหันก็หยุดไม่ได้แก้ไขไม่ทัน อุบัติเหตุตามอย่างนี้เขามีสถิติเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากคนขับที่ไม่มีสติสตังคนขับไม่ได้อยู่กับการขับรถมัวแต่ไปทะเลาะกันบางทีก็ทะเลาะกันบางทีก็คุยกันจูจีกันบางทีก็ดูข้อความในมือถือบางคนก็กดข้อความส่งข้อความนี่แหละ ขับไปทํยานี้ไปมันก็ชนกันเเะฉนั้นเวลาซื้อรถมาใหม่ถ้าไม่อยากให้มีอุบัติเหตุไม่ต้องไปเจิมรถอะรถนี้เขาทำมาดีแล้วทุกอย่างนี่เขามีการตรวจสอบทดสอบว่ามีคุณภาพมีคุณสมบัติที่ครบร้อยตัวที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี่ไม่ใช่รถเร โน้ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุคือคนขับนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมเราต้องมาศึกษาแล้วเราถึงจะเข้าใจและจะเชื่อกฎแห่งกรรมและเราจะได้รับประโยชน์จากกฎแห่งกรรมและเราจะได้กําจัดภัยที่เกิดจากการกระทําของเราได้ ข้อที่หนึ่งเราต้องรู้ว่าใครเป็นผู้กระทำตามบทที่เราสวดกันเราเป็นผู้กระทากรรมกรรมเราเป็นผู้กระทํากรรมเราทํากรรมดีหรือทำกรรมชั่วเราต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเหะุนั้นข้อที่หนึ่งเราต้องมาศึกษามาทำความเข้าใจก็คือว่าใครคือเรา เราคือร่างกายหรือเราคือจิตใจเอถ้าเราคิดว่าเราคือร่างกายก็ผิดแล้วร่างกายนี้ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเป็นเครื่องมือของเราอีกทีหนึ่งเป็นลูกน้องเราใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเห็ในใครคือเราเราก็คือใจเราเป็นเจ้านายของร่างกาย ร่างกายเป็นผู้รับใช้เป็นผู้เรารับคำสั่งอพอเราสั่งปุ๊บมันก็ทำทันทีสั่งให้ยกมือขึ้นยกขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าถามเนี่ยญาติโยมคนไหน เ, เคยทำบาปมามั่ง เ, เคยทำบุญมามั่งก็จะมีการยกมือขึ้นมาทันที อ, อันนี้คนสั่งคือใจคนกระทำคือใจ กระทำด้วยการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมนี้ไม่เกี่ยวกับร่างกายอย่าไปมองที่ร่างกายเวลาที่เราคิดถึงกฎแห่งกรรมขอให้เรามองที่ใจคือผู้รู้ผู้คิดผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทาอะไรต่างๆนี่แหละคือใจเช่นวันนี้สั่งให้ร่างกายมาวัด มาวัดมาทำอะไรมาทำบุญเนี่ยไม่ได้มาทำบาปนะถ้าจะไปทำบาปนั้นต้องไปแถวบาแถวผับแถวบันแถวซ่องเนเรียกว่าเป็นที่ไปทำบาปนะแล้วใครสั่งให้ไปก็ใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้ไปร่างกายนี้มันไปได้ทั้งนั้นไปไหนแล้วแต่เจ้านายสั่งจ้านายสั่งให้ไปทำบุญมันก็ไปทำบุญสั่งให้ไปทำบาปมันก็ไปทำบา แต่ผู้ที่รับผลบุญผลบาปไม่ใช่ร่างกายร่างกายมานี่มาทำบุญนี้ร่างกายไม่ได้รับผลบุญเลยร่างกายก็เหมือนเดิมอ้วนเท่าไหร่ก็ยังอ้วนเหมือนเดิมอยู่ผอมเท่าไหร่ก็ยังผอมเหมือนเดิมอยู่ผู้ที่รับผลบุญนั้นคือใจผลของบุญของผลของบาปคืออะไรก็คือความรู้สึกในใจนี้แหละ ความรู้สึกสขทุกนี่แหละคือผลของบุญของบาปส่วนหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจแล้วเราจะได้ไม่ไม่สับสนแล้วเราจะเชื่อกฎแห่งกรรมว่าเป็นกฎที่เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ กฎแห่งกรรมนี่ถ้าดูที่ใจใจเป็นผู้กระทำบาปใจเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนใจเป็นผู้ทำบุญใจเป็นผู้ทำบาปใจเป็นผู้รับผลของบุญผลบาปจะทำกรรมอันใด ไ, ไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปใจจะต้องเป็นผู้รับผลบุญผลบาปนั้นวิธีรับผลบุญผลบาปของใจก็ มีสองลักษณะด้วยกันในขณะที่มีร่างกายอยู่ใจก็จะรับผลที่ความรู้สึกทําบุญก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาทําบาปก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความร้อนใจขึ้นมาอันนี้เป็นผลที่เราสามารถที่จะสัมผัสรับรูบร้ได้ ถ้าเรามองมาที่ใจของเราลองสังเกต ด, ดูเวลาทําไมเราถึงทําบุญกันทําบุญเพราะเราทําแล้วสบายใจไอมทาไมเราไม่ทําบาปกัน่ะเพราะว่าทําบาปแล้วเราไม่สบายใจเราจึงไม่ทําบาปกันเราจึงไม่ทําบุญกันเราจึงทําบุญกันไม่ทําบาปกันตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้ทาบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมว่าทาบุญแล้วจะทาให้เรามีความสุขใจทำบาปแล้วจะทำให้เราทุกข์ใจถ้าเราไม่ต้องการมีความทุกข์ใจเราก็อย่าทําบาปแล้วความทุกข์ใจจะไม่เกิดถ้าเราอยากจะมีความสุขใจเราก็มาวัดอย่างวันนี้มาทําบุญ ทำบุญแล้วก็จะเกิดความสุขใจมาวัดก็จะมีประโยชน์เพราะเราจะได้เรียนรู้วิธีทําบุญบุญกุศลนี้มีต้องหลายวิธีด้วยกันไม่ใช่เพียงแต่ทําทานอย่างเดียวญาติโยมวันนี้มาทําบุญทําทานคือเอาเข้าวของเงินทองมาแบ่งปันให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าที่ขาดแคลน ปัจจัยสี่ที่เรียกว่าจัตุปัจจัยจัตุก็คือสี่ปัจจัยก็คือเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพคืออาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งหม่มกุติวิหารที่อยู่อาศัยแล้วก็เพศัชยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ญาโยมมาวัดก็มาถวายจตุปัจจัยแล้วแต่โอกาสส่วนใหญ่ก็จะถวายของกินเป็นหลักก่อนเพราะว่าของกินนี่มันต้องกินทุกวันส่วนจีวานี่นานๆถวายสักครั้งก็ได้ปีละครั้งก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ขาดทันทีทันใดไม่ได้เหมือนกับอาหารกินวันนี้ก็หมดแล้วอาหารนี่ต้องถวายทุกวันบิณฑบาต ท, ทุกวัน แต่จีวรนี้ไม่ต้องถวายทุกวันถวายไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนอมันก็ใส่ได้แค่สามผืนแค่นั้นเองนอกมา ก, ก่อนนั้นก็ต้องไม่รู้ต้องเอาไปเก็บไว้เลือไม่เช่นั้นก็ต้องเอาไปเอาไปถวายวัดอื่นไปถวายวัดที่เขาขาดแคลนนี่คือการทําบุญอย่างหนึ่งที่ญาติโยมทํากันเป็นประจำคือการให้ทานนี่แหละ การให้ข้าวของเงินทองจตุ ป, ปัจจัยทายทานต่างๆอันนี้เราจะได้ประโยชน์เราจะได้เรียนรู้เรื่องของการทำบุญทาทานเวลาเรามาวัดเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าการทำทานทาบุญนี้มีหลายวิธีด้วยกันทานก็เป็นวิธีหนึ่งคาว่าบุญก็คือความสุขใจทำทาน จะได้ความสุขใจจะได้บุญบางทีเราเลยใช้แทนกันไปแทนกันมาทำบุญทำทานเหมือนกับทำงานทำเงินเนี่ยเราก็ใช้แทนกันแต่ความจริงมันเป็นเหตุกับผลทำงานเพื่อให้ได้เงนินงานนี้เป็นเหตุเงินนี้เป็นผลแต่บางทีเราก็พูดแทนกันไปทำงานทำเงนิน ทำงานแล้วก็ได้เงินก็เรียกว่าทำเงินก็ได้ทำงานก็ได้แต่มันเป็นเหตุกับผลเช่นเดียวกับทานเนี่ยทานที่ทำคือการให้นี่เป็นเหตุไม่ได้เป็นผลผลของทานคือบุญคือความสุขใจอิ่มใจถ้าไม่ทำทานนี้บุญไม่เกิด ถ้าไม่ให้ไม่เสียสละไม่แบ่งปันไม่ใส่บาตรไม่ถวายสังฆทานะไม่ถวายผ้าป่าอยู่ดีๆจะให้เกิดบุญขึ้นมาไม่ได้จะให้เกิดบุญต้องทําเหตุที่ทําให้เกิดบุญขึ้นมาเหตุที่ทําให้เกิดบุญก็คือเนี่ยหนึ่งทานทําทานแล้วก็จะทําให้เกิดมีบุญขึ้นมาเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาะ สองวิธีที่จะทำให้เกิดบุญพอเราทำบุญแล้วเรามีบุญเราสามารถเอาบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ร่วงรับได้อุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับได้เรียกว่าการอุทิศบุญการที่จะอุทิศบุญได้นี้ต้องทำบุญก่อนบางคนถามว่าเวลาจะอุทิศบุญนี่ขอเอาบุญเก่ามาอุทิศได้ไหม บุญเก่าไม่รู้มันหายไปไหนแล้วเลยทำมาเมื่อเดือนที่แล้วแล้ววันนี้อยากจะอุทิศบุญให้กับคนตายนี่มันจำไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนถ้าอยากจะทำบุญอุทิศทำใหม่ดีกว่าเพื่อความมั่นใจเพราะความอิ่มใจสุขใจมันหายไปไหนแล้วไม่รู้บุญที่เราทำเมื่ออดีตที่ผ่านมา งั้นต้องเอาเอาบุญแบบสดสดน้อนดีกว่าเนี่ยวันนี้ญาติโยมทําบุญเสร็จตอนนี้ญาติโยมสามารถอุทิศได้ทันทีเลยไม่ต้องรอให้พระมาสวดญาถาด้วยไม่ต้องรอเอาน้ํามามากรวดด้วยพอทําแล้วมีความรู้สึกอย่างไงสบายใจไหมสุขใจไหมได้เสียสละข้าวของเงินทองไปเอพอเกิดความสุขใจแล้วเนี่ยอุทิศได้เลยะ การอุทิศบุญนี้ก็เป็นการทำบุญอีกอย่างทำบุญให้แก่ผู้ตายผู้ตายนี้รับเข้าของเงินทองไม่ได้ส่งเข้าของเงินทองไปให้ผู้ตายไม่ได้ผู้ตายรับได้แต่บุญที่เราทำที่เราอุทิศไปให้กับเขานี่เองพอเราทำบุญเสร็จเราก็ทำบุญทาบุญด้วยทานเสร็จเราก็มาทำบุญด้วยการอุทิศบุญต่อได้เลยได้สอง ได้สองบุญในในในโอกาสเดียวกันเอทําบุญทําทานกับพระเก็เรียกว่าทําบุญกับพระเอทําบุญอุทิศบุญให้ผีเอเวลาพระสวดยะถาสัพปีนี่เวลาท่านยะถานี่ท่านกําลังยะถาให้ผีสัพปีให้คนเอคือท่านจะกล่าวถึงการอุทิศบุญ เ ว, เวลาที่พระเริ่มกล่าวว่ายะถาวาลิวาาปูราปาริปุปรันติสาขังนี้ท่านกำลังอธิบายให้เราฟังว่าบุญที่พวกเราทำกันวันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วเราสามารถแบ่งบุญที่เราทำในวันนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปได้เช่นบิดามารดาปุยาตายายผู้ที่มีพระคุณที่เราอยากจะช่วยเขาให้เขามีความสุข เราก็อุทิศได้เนะียช่วงที่พระหัวหน้ากล่าวคนเดียวยะถาเนี่ยท่านกล่าวถึงวิธีที่จะอุทิศบุญให้แก่ผู้ตายเอ่อันนี้เัดเขาถึงมีคําว่ายะถาให้ผีเอ่แล้วพอท่านเสร็จยะถาพระที่มาร่วมก็จะสวดสัพพีพร้อมกันสัพพีติโยอ่าตอนนี้ท่านกนําลังให้พรท่านกนําลังแสดง ประโยชน์ของผู้ผให้ผู้ทำบุญว่าไ ด, ได้ประโยชน์อะไรบ้างคนที่ทำบุญทำทานเสียสละแบ่งปันจะได้รับผลคืออายุวันโนสุ ข, ขังพลังจะได้เจริญด้วยอายุวันนะอายุยืนวันนะคือผิวพรรณผ่องใสสุขมีความสุขสุขกายสุขใจ มีพลังมีพลังที่จะทำความดีต่อไปเรียกว่าอายุวันโนสุขังพลังอันนี้ให้คนคนที่ทำบุญเนี่ยการสวดของพระตอนที่ญาติโยมมาทำบุญนี้ท่านมีสองส่วนส่วนแรกนี้ท่านกำลังบอกวิธีแบ่งบุญให้ผีผู้ตายไปแล้วเขาถึงเรียกว่ายัดถาให้ผีแล้วก็สับผีให้คน นั้นเวลากวดน้ำนี่ต้องกวดเฉพาะช่วงยาาา่าทาเข้าใจมเวลาที่เทน้ำเนี่ยเทช่วงพระตอนที่ช่วงพระหัวหน้าผู้สวดอยู่คนเดียวพอพระท่านพระรูปอื่นเริ่มรับสัปีนี้หยุดหยุดเทน้ำได้แล้วน้ำที่เหลือนี่เทไปให้หมดแล้วก็พนมมือรับพรเพราะว่าพระกําลังแสดงอนิสงส์ของบุญของการทำบุญว่าผู้ทำบุญย่อมได้รับความ สุขความเจริญในคุณธรรมทั้งสี่คืออายุวันสุขะพละพระไม่ได้ให้พรนะพระไม่มีพรจะให้พรนี้ก็ต้องเกิดจากการกระทำของเราอยากย่้ความเจริญด้วยอายุวันสุขะพละนี้ต้องทำบุญพระเพียงแต่เล่าให้ฟังสวดให้ฟังการสวดของพระนี้เป็นการสอนนี่ปัญหาคือพระชอบสอนภาษาแขก โยมเป็นคนไทยเลยฟังไม่เข้าใจว่ะท่านสอนอะไรความจริงน่าจะมีการปรับปรุงมาเปลี่ยนให้สวนเป็นภาษาไทยดีกว่าสวนคำแปลดีกว่าญาติโยมจะได้รู้ว่าพระกำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยพระญาติโยมมากี่ครั้งก็ไม่ดู้ช่ไหมแต่สาธุทุกครั้งสาธุก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอยู่ <c oughs> <c oughs> เขาบอกให้สาธุก็สาธุเนี่ยสาธุแปลว่าอะไร เวลาโยมาสาธุโยมบาลว่าอะไรแปลว่าดีแล้วเออคําว่าดีแล้วอเววอสิ่งที่ท่านพูดดีแล้วถูกต้องแล้วสาธุอแืแต่พูดไปแบบไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะว่าท่านพูดภาษาแขกภาษาบาลีเราเป็นคนไทยฟังเลยไม่เข้าใจแต่เมื่อเขาบอกให้ให้ว่าสาธุก็ต้องสาธุไป อาจเป็นแขกไปด้วยนั่นนี่ถึงต้องมาอธิบายให้ฟังมามาแปลให้ฟังเวลาที่ท่านว่ายาฐานี้ท่านพูดถึงบุญที่เราทำในวันนี้เราสามารถแบ่งให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้ถ้าเขารอรับอยู่เขาก็จะได้รับความสุขเหมือนกับเราในตอนนี้ เรวพอลาระเริ่มสวดสัพพีนี่ท่านหมายถึงว่านี่ยการทําบุญการอุทิศบุญของเราเนี่ยจะทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจมีอายุวันณนะทั้งร่างกายและจิตใจมีอายุยืนยาวนานอายุวันณนะสุขะสุกายสุขใจพลร ะ, ระมีพลังกายพลังใจขึ้นมาเนี่ยนี่คือเรื่องของการทําบุญ ที่เราสามารถทำได้สองแบบแล้วทานหนึ่งทานก็คือการทำบุญอย่างหนึ่งทานคือเหตุบุญคือผลอุทิศบุญเป็นเหตุบุญที่เราได้รับก็คือผลพอเราอุทิศบุญรู้ว่าพ่อแม่ได้บุญจากเราได้ความสุขจากเราพ่อแม่มีความสุขเราก็มีความสุขขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็เลยได้บุญสองชั้นด้วยกันสองเด้ง ทำบุญครั้งเดียวแต่ได้สองสองครั้งบุญที่เกิดจากการทำทานเสียข้าวของเงินทองไปพอได้เงินที่เกิดจากข้าวของเงินทองแล้วก็เอาบุญนี้ไปแบ่งให้ผู้ตายได้อีกบุทิศให้ผู้ตายได้อีกก็ได้สองแดงได้สองได้สองต่ออ น, น, นี่คือบุญที่เราจะได้เรียนรู้กันแล้วนอกจากบุญสองชนิดนี้เรายังมีอีก อ, อีกอย่างอีกหลายชนิดบุญต่อมาที่เราทำได้ก็คือบวตร่วมอนุโมทนาบุญเวลาเราเห็นใครเขาทำบุญเราก็อนุโมทนาได้วิธีที่อนุโมทนามันต้องเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเรายัางไงเช่นเขาเาเงินเราไปทำบุญ นะเช่นภรรยาเราเอาเงินของเราไปทำบุญเนี่ยโดยที่ไม่บอกเราก่อนมาบอกทีหลังพาพี่วันนี้เอาเงินพี่ไปทำบุญคะ ถ้าพี่ไม่อนุโมทนาพี่จะโกรธนะแต่ถ้าพี่อนุโมทนาพี่ก็จะไม่โกรธพี่ก็จะมีความสุขกับการทำบุญอันนี้แหละเรียกว่าการอนุโมทนาที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ดีดีทำบุญเสร็จก็ไปบอกชาวบ้านแล้วเขาก็อนุโมทนาสาธุอย่างนั้นเขาไม่ได้บุญหรอกเพราะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เสียอะไรไปเขาไม่ได้เสียเงินเสียทองไป ถ้าบอกเพื่อนว่าให้กูเอาเงินเงินมึงไปทำบุญให้มึงนะอย่างนี้แหละถ้าเจ้าของเงินอยากจะได้บุญก็นอกเออสาธุสาธุาธอนุโมทนาถึงจะได้บุญแต่ถ้าไม่อนุโมทนาไม่ยินดีกลับดา่ามึงเอาเงินกูไปทำบุญกูไม่ได้สั่งมึงท่านหน่อยอย่างนี้แหละ นี่คือการความหมายของการอนุโมทนาบุญญาโยมส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าการอนุโมทนาบุญก็คือเวลาเราไปทําบุญที่ไหนแล้วไปบอกเพื่อนว่าให้กูไปทําบุญที่นั่นที่นี่แล้วให้เขาอนุโมทนาแล้วเขาได้บุญด้วยเขาไม่ได้บุญหรอกใช่ไหมเวลาอาตมาบอกโยมว่าอาตมาไปทําบุญที่นั่นโยมก็บอกสาธุอนุโมทนาแล้วโยมรู้สึกยังไงก็เหมือนเดิมใช่ไหมไม่เกิดความสุขอะไรขึ้นมา แต่ถ้าอาตามาบอกว่าอาตามาเอาเงินของโยมไปทำบุญเนี่ยที่นั่นที่นี่พอโยมได้ยินก็ดีใจโอ้มีความสุขขึ้นมา อ, อ่นี่คือหน้าที่ของอนุโมทนาบุญต้องเป็นมีมัน ม, มีมีเหตุของมันที่ให้เราต้องอนุโมทนาคือเขาเอาเงินเอาของของเราไปไปทำบุญโดยที่เขาไม่ได้บอกเราก่อนมาบอกเราทีหลังบอกตอนที่ทำเสร็จแล้ว ถ้าเราไปเสียดายเราก็ขาดทุนของมันก็ไปแล้วใจก็เสียใจแตถ้าเราพิจใจว่าอย่าไปเสียดายมันเยของก็เราก็ไม่ได้ใช้มันอยู่แล้วฝากเขาไว้เขาเอาไปใช้ถ้าเราไปทาบุญก็เอาไปทำแล้วมีประโยชน์เราก็อนุโมทนาไปกับเขาว่าเออดีแล้วสาธุสาธุด้วยเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมานะนี่แหละ คือกรณีของการอนุโมทนาบุญญาโยมมักจะเข้าใจผิดคิดว่าวันนี้กุมาทำบุญแล้วได้กลับไปบ้านไปบอกเพื่อนฝูงว่าวันนี้ไปทำบุญที่นั่นที่นี่ขอให้เขาอนุโมทนาเขาอนุโมทนาเริอมมาอนุโมทนาก็ไม่มีผลต่อใจเขาว่าใจเขาไม่ได้ไม่ได้อะไรใช่ไหมเวลาเวลาคนอื่นเขาไปทำบุญแล้วเขาบอกเราล่าแล้วอนุโมทนาแล้วเรารู้สึกยังไงเหมือนเดิมไห ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเขาว่าเป็นเงินที่เราฝากไปทำบุญเขาได้ทำให้แล้วอย่างเงี้ยทีนี้ชื่นใจแล้วมั่นใจแล้วว่าไปถึงแล้วเอาใบอนุโมทนาบัตรมายืนยันเลยก็ได้นีอ่อย่างเงี้ยถึงอนุโมทนานี่คือเรื่องของบุญอีกเรื่องของการทำบุญอีกอย่างอนุโมทนาบุญบุญที่เราจะทำได้อีกอย่าง ก็คือเราไม่มีเงินไม่มีทองแต่เรามีเวลาเราเอาเวลาไปทำประโยชน์ให้กับสังคมก็ได้เรียกว่าไปรับใช้สังคมไปเป็นอาสาสมัครทำความดีต่างๆที่สมัยนี้มีการให้เป็นจิตอาสากันใม่ไหมอันนี้ก็เป็นการทำบุญอีกอย่างจิตอาสานี่แหละคือการทำบุญคนที่ทำบุญพวกนี้เขาไม่ค่อยมีเงินทองแต่เขามีเวลาว่าง พอมีเวลาว่างเขาก็ไปร่วมทำประโยชน์ให้กับสาธารณะทำประโยชน์ให้กับสังคม เ, เช่นอาจจะไปช่วยการทาง่ายทางป่าหรือว่ามีงานที่ไหนก็ไปช่วยกันบริการาจัดการงานให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีการสะดุดไม่มีอุปสรรคนี่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการรับใช้สังคมรับใช้ผู้อื่น ไม่สังคมก็ได้รับใช้คนอื่นก็ได้พ่อแม่ก็ได้พ่อแม่ไม่สบายเราอาจจะเสียสละลางงานหยุดงานพาพ่อแม่ไปหาหมออะไรทำนองนี้อย่างนี้ก็ได้บุญเพราะว่าเป็นการรับใช้ผู้อื่นรับใช้สังคมรับใช้พระรับใช้ญาติโยมบางคนก็อาสาสมัครถ้าหลวงพ่อต้องการไปไหนบอกผมผมจะพาไปอย่างนี้ก็ เรียกว่าเป็นการทำบุญด้วยการรับใช้ผู้อื่นไม่ต้องใช้เงินใช้ทองก็ได้ถ้าไม่มีเงินมีทองแต่มีเวลาว่างมีรถมีอะไรอยากจะอาสาสมัครบางทีที่วัดนี้บางทีตอนตอนเช้าต้องขับรถไปบินธบาตบางทีคนขับป่วยก็มีคนอื่นมาอาสาสมัครบอกว่าถ้าคนขับไม่สบายก็บอกเขาได้เขาจะมาช่วยขับรถพาพระไปบินธบาตให้ อย่างนี้ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึง่งอันนี้คือวิธีการทําบุญต่างๆที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้เราทํากันท่านถึงบอกว่าจงทําบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมคําว่าถึงพร้อมคื อ, คอไม่ได้หมายคำว่าต้องทําบุญทุกชนิดหมายถึงพร้อมถ้ามันเราพร้อมที่จะทําทเราก็ทำํำเราพร้อมเราสะดวกทําบุญแบบไหนเราก็ทําบุญแบบนั้น วันนี้เราสะดวกทำบุญด้วยการเอาเข้าวของเงินทองมาถวายวัดถวายพระเราก็ทำแบบนั้นถ้าเราพร้อมที่จะทำบุญแบบไหนเราก็ทำไปวันนี้เราพร้อมที่จะมาทำบุญทำทานด้วยการทำทานด้วยการอุทิศบุญเรายัางมีการทำบุญด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมการฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญอีกอย่างนึ่ง ฟังธรรมแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจใช่มาโยมมาฟังธรรมทุกครั้งมีความสุขใจกลับไปใช่ไหมพอได้เรียนรู้เรื่องที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจมาก่อนเรื่องที่เราสงสัยพอได้ฟังแล้วก็หายสงสัยทำให้หูตาสว่างขึ้น ทำให้มีความอิ่มใจสุขใจกำจัดความทุกข์ได้บางทีเราทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกข์กับลูกนี่แหมมันไม่ยอมใจนี่เราสักทีพอมาฟังธรรมท่านสอนว่าก็ให้คิดว่าเป็นการทำบุญให้มันไปก็แล้วกันไหนไหนมันก็ไม่คืนเราอยู่แล้วไม่ทุกข์กับมันทำไมก็คิดว่าเป็นการทาบุญไป เราก็จะมีความสุขใจแทนที่เราจะมาทุกทุกครั้งที่เราเห็นลูกนี้แล้วเราจะทุกข์เพราะเรายังอยากจะได้เงินคืนอยู่แต่มันก็ไม่เคยคืนเงินให้เราสักทีเราก็ปองเสียดีกว่าปองคิดว่ามันเป็นลูกนี้เป็นการทำบุญก็แล้วกันเป็นขอทานเราให้ทานมันไปทำบุญทำทานให้มันไปมันจะคืนหรือไม่คืนก็เรื่องของมันถ้ามันจะคืนเราก็ถือว่ามันมาทาบุญกับเรา ถ้ามันไม่คืนเราก็ถือว่าเราทำบุญกับมันไปท่านนี้เราก็จะมีความสุขจะไม่ทุกข์กับการมีลูกนี่นี่คืออา น, นิสงส์ที่จะได้รับจากการมาวัดมาทำบุญจะได้บุญหลายอย่างด้วยกันฟังธรรมนี้ก็ได้บุญแล้วนอกจากนั้นยังเวลากลับบ้านมีหนังสือธรรมะดีๆเอากลับไปด้วยอาจจะเอาไปฝากพ่อฝากแม่ฝากพี่ฝากน้อง ก็ได้บุญอีกอย่างบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมะนี่ดีกว่าให้เงินทองเชื่อไหมเงินทองนี้มาบำบัดความทุกข์ได้ทางร่างกายแต่ไม่สามารถบำบัดความทุกข์ทางใจได้แต่ธรรมะนี่สามารถมาบำบัดความทุกข์ทางใจให้ได้ธรรมะจึงมีคุณค่าราคากว่าเข้าของเงินทองต่าง ท่านถึงพูดไว้ว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงอันนี้คือเรื่องของการทาบุญต่างๆที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันอันนี้ส์ของการฟังธรรมจะได้เรียนรู้วิธีการทาบุญต่างๆแล้วจะได้เรียนรู้วิธีละบาปด้วยพระพุทธเจ้านอกจากสอนให้ทาบุญแล้วยังสอนให้ละบาป เพราะบาปทำไปแล้วทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราร้อนใจทำให้เราไม่สบายใจท่านก็แสดงว่าบาปมีอะไรบ้าง <c oughs> บาปก็มีหนึ่งการฆ่าสัตว์สองการลักทรัพย์สามการประพฤติผิดประเวณีสี่การพูดปดห้าการดื่มสรุราการดื่มสรุรานี้ท่านไม่ถือว่าเป็นบาปท่านถือว่าเป็นผู้สนับสนุนการกระทำบา ถ้าไม่ดื่มโซลานี้จะทำบาปยากแต่พอดื่มโซลาแล้วเมามันจะทำบาปได้ง่ายกว่าเพราะเวลาไม่มีสติไม่มีความยางอายไม่มีความกลัวบาปแต่เวลามีสตินี่มันยังยับยั้งอยู่กล้ากลัวอยู่ ใจหนึ่งก็อยากจะทำแต่ใจหนึ่งก็ยังกลัวอยู่ใจก็ยังละอายอยู่แต่พอดื่มล้าเข้าไปแล้วที่นี้หายหมดแล้วความกลัวความอา ย, ยมีแต่ความกล้าบ้าบินขึ้นมาท่านถึงห้ามไม่ให้ดื่มสุราแต่ท่านไม่เรียกว่าเป็นบาปท่านเรียกว่าเป็นอบายามุกอบายามุกก็คือผู้สนับสนุนให้การทำบาปได้ง่าย นอกจากดื่มโซดาแล้วยังมีอบายามุขอย่างอื่นอีกสี่ข้อที่เราควรที่จะรู้จักนะพยายามลดละมันสองก็คือการพนันเนี่ยเล่นการพนันนี้ก็จะทําให้เราไปทําบาปได้เพราะเล่นแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เรวต้องเจ๊งเงินหมดหมดเนื้อหมดตัวก็ต้องไปลักไปขโมยไปโกหกหลอกลวงยืมเงินคนอื่นมาเล่นต่อ ออย่าไปเล่นการพนันอย่าเสพสุรายาเมาอย่าเที่ยวอย่าเที่ยวเตะไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนการเที่ยวมีแต่การเสียเงินเสียทองไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าเที่ยวถ้าเที่ยวติดเป็นนิสัยแล้วมันจะไม่มันจะทาให้เกิดความเกลียดค้าขึ้นมาไม่อยากจะทำงานจะหนีงานมันก็จะทำให้ไม่มีรายได้ต่อไปก็จะตกงาน แล้วเมื่อไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเดี๋ยวเงินก็ต้องไม่พอใชเพอไม่พอใช้ก็ต้องไปทำบาปไปขโมยไปโกหกหลอกลวงเพื่อที่จะได้เอาเงินมาใช้ต่ออันนี่คือบาญมุขข้อที่สามคือ การเที่ยวเต่มันจะทําให้เกิดอบายามุขข้อที่สี่คือความขี้เกียจความเกียดค้านขึ้นมาคนชอบเที่ยวนี้จะขี้เกียจทํางานจะขยันเที่ยวจะชอบเที่ยวแล้วก็จะมีเสียวนเสียหายเห็นเราต้องระวังเรื่องของความเกียดค้านอย่าให้มีเกิดขึ้นกับเรากี่ที่ขี้เกียจไปทํางานก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ไปทํางานเงินก็ไม่มานะมันจะได้ออจะได้ไม่ขี้เกียจถ้า ทำงานเงินก็จะมาถ้าไม่ทำงานเงินก็จะไม่มาสมัยก่อนรัฐบาลของจอมพลสลิดนี้ก็จะมีสโลแกนว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขเพราะสมัยนั้นคนยังไม่ค่อยชอบทำงานกันยังไงไม่รู้ก็เลยต้องมีสโลแกนชวนให้ทำงานงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขอพอไม่มีเงินปั๊บทุกมันก็จะตามมาทันที ดังนั้นอย่าเกียรติ้านอย่าเที่ยวเตแล้วข้อที่ห้าอย่าไปคบคนที่ชอบอบายมุขคนที่ชอบอบายมุขเขาก็จะชวนเราไปทำตามเขาเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวชอบชอปปิ้งเขาก็จะชวนเราไปชอปปิ้งชอบไปดูหนังฟังเพลงไป เที่ยวเต่เขาก็จะชวนเราไปทำสิ่งเหล่านั้นชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราชอบเล่นการพ น, นันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพ น, นันทั้งๆที่เราไม่เคยเล่นเราก็จะกลายเป็นคนติดอาบายามุขขึ้นมาได้ฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงคนเหล่านี้คบค้าสมาคมได้รู้จักกันได้ทำงานร่วมกันได้แต่พอเขาชวนให้เราไป ทำอบายมุขเราต an ้องปฏิเสธทันทีต้องไม่คบทันทีต้องไม่ถือว่าเขาเป็นมิตรทันทีต้องถือว่าเขาเป็นศัตรูทันทีพอใครมาชวนเราไปดื่มโุรานี่บอกอันนี้ไม่ใช่มิตรละอันนี้ไม่ใช่เพื่อนละเพื่อนแท้ต้องชวนไปวัดเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนปลอมนี้จะชวนเราไปเล่นการพนันชวนเราไปเที่ยวชวนเราไปดื่มสซลายาเมว่าง เขาเรียกว่าศัตรูในภาพของมิตรนั่นเองในคราบของมิตรเนี่ยใครก็ตามถ้าชวนเราไปเสพอบายามุกนี้ขอให้เราถือได้เลยว่าไม่ใช่มิตรไม่ใช่เพื่อนเป็นศัตรูเป็นผู้ที่จะมาทำลายเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะคิดว่าเขาเป็นมิตรกับเรา เขาคิดว่าเขาวางดีกับเราเห็นว่าเราอยู่คนเดียวเหงาเลยชวนเราไปทำอะไรแก้เหงาชวนเราไปกินเหล้าแก้เหงาชวนเราไปดื่มโซล่าไปเล่นการพ น, นันแก้เหงาชวนเราไปชอปปิง้งไปเที่ยวแก้เหงาที่ไหนได้เขากำลังชวนเราไปสู่ความหายนะโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นขอให้ถือว่าใครก็ตามที่มาชวนเราไปเสพอบายามุขนี้ ไม่ใช่เป็นมิตรแล้วคบไม่ได้แล้วคือคบไม่ได้เฉพาะตอนตอนที่เขามาชวนเราไปอย่าไปกับเขาแต่ถ้าถึงเวลาไปทำงานก็ยังทำงานร่วมกันได้อยู่ยังติดต่อกันได้อะไรกันได้แต่พอเขามาเป็นเปลี่ยนจากมิตรมาเป็นศัตรูเมื่อไหร่เราก็ต้องปฏิเสธการเชื่อเชิญของเขาเท่านั้นเองนี่คือความหมายว่าไม่ให้คบคนที่ชอบ อาบา ย, ยมุกไม่ได้หมายความว่าไม่ให้คบค้าสมาคมกันเลยยังคบค้าสมาคมกันได้ถ้าไปทํากิจที่มีประคุณมีประโยชน์ถ้าไปทับไปวัดด้วยกันก็ไปได้ไปอไปทําอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไปทํางานก็ไปด้วยกันได้ไปเรียนหนังสือก็ไปด้วยกันได้แต่พอจะให้ไปกินเหล้าเมอยาอย่าไปด้วยกันไม่ได้แล้วเออต้องรู้จักแยกแยะอันนี้คือ เรื่องของบาปที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอย่ากระทำกันทำแล้วมันจะทำให้เราเสียหายเดือดร้อนใจเราจะทุกข์จะร้อนขึ้นมาอย่าไปดูผลที่ร่างกาย <c oughs> ให้ดูผลที่ใจบุญและบาปนี้ผลที่แท้จริงอยู่ที่ใจ เกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอวันตายแล้วถึงจะเกิดมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เรา <c oughs> ทําเลยแล้วมันจะสะสมเหมือนกับการเอาเงินเข้าไปในธนาคารนทําบุญก็เหมือนสะสมเงินไว้ในธนาคารทําบาปก็เหมือนสะสมหนี้ไว้ในจากธนาคารไปกู้หนี้ครั้งหน้าครั้งหนึ่งก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นไปกู้อีกครั้งก็หนี้เพิ่มขึ้นอีกบาปกับบุญนี้มันยังไม่หายนะ ความรู้สึกที่ได้นะั้นมันเป็นเหมือนกับเป็นเอ่อเป็นเป็นอะไรกเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองความรู้สึกที่เราได้รับขณะที่เราทาบุญทำบาปนี่มันเป็นตัวอย่างมันยังยีมีผลใหญ่กว่านี้ตามมาอีกมันจะมาตอนไหนมันจะมาตอนที่ร่างกายเราตายเนียพอตอนที่ร่างกายเราตายบุญต่างๆที่เราสะสมไว้กับบาปที่เราทำไว้นี่มันจะมา เป็นผู้ที่จะมาแย่งดวงวิญญาณของเราให้ไปสวรรค์หรือให้ไปอบายเนอันนี้ยังมีต่อมีภาคสองนะภาคสองของบุญของบาปภาคหนึ่งก็ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ตอนมีชีวิตอยู่ทำบุญทำบาปก็มีความสุขมีความทุกข์ใหญ่แล้วพอตอนตายนี่ยังมีภาคสองของบุญของบาปมาเล่นงานเราต่อ คือถ้าบุญที่เราทำไว้มีมีน้ำหนักมีกำลังมากกว่าบาปบุญมันก็จะดึงเราไปสวรรค์กันถ้าบาปมีน้ำหนักมากกว่าบุญบาปมันก็จะดึงเราไปอบายแล้วมันก็จะทำให้ดวงวิญญาณเราเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆเป็นเปรตเป็นอสูรกายเป็นนรกขึ้นอยู่กับว่าการทาบาปของเราทำแบบไหน ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นเปรตเนี่ทำบาปด้วยความกลัวก็จะเป็นอสุรกายทำบาปด้วยความโกรธก็จะเป็นนรกทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็ไปเป็นเดระน์เนี่นี่คือผลของการทำบวญทำบาปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พอตายไปแล้วมันยัง ส่งผลต่อดวงจิตดวงใจของเราที่ตอนนั้นเราเปลี่ยนชื่อจากดวงจิตดวงใจมาเป็นดวงวิญญาณแทนแล้วก็มาเป็นกายทิพย์ชนิดต่างๆดวงวิญญาณก็จะเป็นกายทิพย์ชนิดต่างๆไปถ้าเป็นผลของบุญบุญก็จะทำให้เราเป็นเทวดาชั้นต่างๆเคลื่นอยู่กับบุญมากบุญน้อย ทำบุญน้อยก็เป็นเทวดาชั้นต่ำเป็นทำทำบุญมากก็จะเป็นเทวดาชั้นสูงชั้นสูงก็จะได้บุญได้ความสุขมากกว่าชั้นต่ำเหมือนกับโรงแรมที่มีดาวน้อยกับดาวมากโรงแรมที่มีดาวเดียวก็สู้โรงแรมที่มีห้าดาวไม่ได้การบริการไม่สุดสุดถ้าห้าดาวนี่สุดสุดถ้าหนึ่งดาวก็พอถูถไปนี่คือ เรื่องของบุญที่เราจะได้รับผลหลังจากที่เราตายไปในขณะที่เราตายเรามีชีวิตอยู่เราก็สะสมบุญสะสมบาปไว้ในใจเราพอถึงเวลาที่ร่างกายตายไปบุญและบาปที่สะสมอยู่นี้มันจะมาแย่งดวงวิญญาณเหมือนเหมือนการชักกระเยอะกันเราเคยเล่นชักกระเยอะไหมสองฝ่ายดึงเชือกฝ่ายหนึ่งก็ดึงมาฝ่ายหนึ่งก็ดึงไป แล้วใครแพ้ใครชนะก็อยู่ที่ใครมีกำลังมากกว่าฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่าก็ดึงเชือกไปฝ่ายของเขาฝ่ายที่มีกำลังน้อยกว่าก็ต้องถูกเขาลากไปยัในใดเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจเรายังถูกกฎแห่งกรรมมาจัด ก, การต่อภาคสองเกิดจะมาดึงเราไปสวรรค์หรือดึงเราไปอบายต่อไป นี่คือความจริงที่พวกเราอาจจะไม่เข้าใจกันเพราะว่าใจมันไม่มีรูปร่างหน้าตามันถึงยากต่อการเข้าใจเรื่องของกฎแห่งกรรมเลยต้องมาที่บายให้ฟังแล้วตอนที่เป็นดวงวิญญาณนี่เป็นแบบไหนเราก็ยังไม่รู้อีกว่าเป็นเทวดาเป็นแบบไหนเป็นเปรตเป็นผีเป็นแบบไหน ก็มีหนังตัวอย่างให้เราดูแต่เราไม่รู้ว่าเรากำลังดูหนังตัวอย่างกันหนังตัวอย่างให้เราดูคือตอนไหนก็ตอนที่เรานอนหลับตอนที่เรานอนหลับนี่ก็เหมือนเราตายชั่วคราวตอนที่นอนหลับร่างกายมันก็นอนเฉยๆเหมือนคนตายตอนนั้นใจของเราก็เลยอาศัยบุญอาศัยบาปที่ได้ทาไวมาเป็นตัวจัดการกับเรากับใจของเรา ถ้าเราฝันดีนั่นแหละเรากําลังอยู่เรากําลังรับผลบุญเรากําลังอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราฝันร้ายนั่นแหะเรากําลังอยู <S <S ่ในอบายชั้นต่างๆนั่นแหละคือสภาพของสวรรค์และอบายเวลาที่เราไม่มีร่างกายแล้วเราจะเหมือนอยู่ในโลกของความฝันที่เราไม่คิดว่าเป็นความฝันเพราะเราจะคิดว่าเป็นความจริงใช่ไหมเวลาเราฝันนี่เรารู้ว่าเราฝันหรือเปล่าไม่รู้ว่าเราฝันหรอก เราคิดว่าเป็นเรื่องจริงมารู้ว่ามันเป็นฝัาฝันก็ตอนที่เราตื่นขึ้นมาโอ้ยเมื่อกี้นี่ฝันไม่ดีเลยโอ้ยเมื่อกี้นี่ฝันดีเหลือเกินอยากจะกลับไปนอนต่อแต่เวลาที่มันฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราฝันเราคิดว่าเป็นเหตุการณ์จริงอันนี้ก็เหมือนกันพอเราตายไปนี่เราก็เข้าสู่โลกของโลกทิพย์ที่เป็นโลกของความฝันนี่เราก็จะฝันไปล้วก็จะคิดว่าเรา เป็นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงที่เรากำลังเกิดขึ้นกับเราในขณะนั้นเหมือนในขณะนี้เลยเหมือนกับเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นกับเราตอนนี้เลยตอนที่เรานอนหลับก็เหมือนกันตอนที่เราตายก็เหมือนกันนี่แหละคือเรื่องของบุญของบาปของนรกของสวรรค์อย่างนั้นถ้าไม่อยากที่จะมีความทุกข์ไม่อยากจะไปนรกใบ้ใ บ, บก็อย่าทาบาปถ้าอยากจะไปสวรรค์ อยากจะมีความสุขก็ให้ทำบุญกันไปแล้วรับรองได้ว่ากฎแห่งกรรมนี้จะให้ความยุติธรรมร้อยเปอร์เซนตกฎแห่งกรรมนี้ไม่ต้องมีใครมาเป็นผู้จัดการกฎแห่งกรรมนี้มันกดอัตโนมัติเหมือนกับกฎของดินฟ้าอากาศมันอัตโนมัติพอถึงเวลาฝนจะตกมันก็ตก ถึงเวลาแดดจะออกมันก็ออกมันไม่มีต้องมีใครมาคอยกํากับการจราจรากดแห่งตารรมก็เหมือนกันไม่มียมบาบาลมากํากับออันนี้เขาเป็นเพียงแต่เปรียบเทียบพูดตัวอย่างให้เห็นนั่นนั่นเองว่ายมบาบาลมาจัดการพาเราไปพาเราไปนรกเอ่ท้าเทวดาทั้งหลายพาเราไปสวรรค์อันนี้เป็นเรื่องของสมมุติที่เราสมมุติกันขึ้นมา ตามกฎแห่งกรรมนี้ไม่มีสิ่งเหล่านี้มันเป็นอัตโนมัติขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราทํามากหรือน้อยบาปมากก็ไปบาปจะดึงไปก่อนบุญมากบุญก็จะดึงไปก่อน น, นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาศึกษามาทําความเข้าใจแล้วเราจะได้หายสงสัยว่าวกฎแห่งกรรมมีจริงหรือไม่ทําดีได้ดีทําดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีมีถมไปนี้เป็นจริงหรือไม่ ถ้ามองที่ร่างกายก็จริงแต่ถ้ามองที่ใจไม่จริงถ้ามองที่ใจแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างแน่นอนอก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาปฏิบัติต่ตอไปขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุรปาภิปุเรนติสักหลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิทิ์ต่างปฏิต่างตุมหังคิป a เมวาสมิจจโตสัพเพบรนโตสัง a ปา จันโทปนนาหราโสยธามณิโชติหระโสยธาสัพภิติโยวิวาทิยันโทสัพพโรโควินัสตุมาเตผวะตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาทานสีฤทสะนิจจังอุธาปะจายโนจตารโร ธรร ม, มาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลาวันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก f a c e b o o สามร y อยหกสิบสีู่ร้อยห้าสิบเอ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบเก้าผู้ระฟังบนเขาหกสิบเจ็ดรวมหกร้อยสิบเอ็ดท่านค่ะ YouTube หายไปเยอะรอยหายไปเกือบสองร้อยวันนี้ YouTube หลุดค่ะถ้าดู YouTube หลุดก็มาดู Facebook ได้ถ้า Facebook หลุดมันก็กลับไป YouTube หรือไปฟังวิทยุออนไลน์ก็ได้มีช่องทางติดตามได้หลายช่องทางด้วยกันอันนี้มันเป็นของไม่แน่นอนนะเพราะว่ามันมีองค์ประกอบเยอะ ที่จะทำให้การถ่ายทอดสดนี้มันเป็นไปเครื่องก็ต้องดีฐานก็ต้องมีสัญญาณก็ต้องดีโอยมันมีอะไรมากมายถ้าอันไหนมันขาดไปปั๊บหนึ่งมันก็ทำให้สะดุดขาดตอนได้ยังั้นก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงถามคำถามใครฟังแล้วยังไม่ถึงใจแล้วยังไม่เข้าใจ อยากจะถามต่อก็เชิญถามได้ถามเองก็ได้หรือจะส่งข้อความเข้ามาก็ได้แล้วแต่ความสะดวกถ้ายังไม่มีใครที่จะถามบนนี้ก็จะให้เอาคำถามจากทางบ้านก่อนถ้ามีถ้าไม่มีก็ถามถามเองตอบเองมีคำถามจากทางบ้านค่ะ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะคะเวลาเราสวดมนต์บทอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโรแล้วเราตั้งจิตขอให้บุญนี้จงถึงซึ่งบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วท่านจะได้บุญหรือเปล่าคะไม่ถึงหรอกการสวดมันไม่ได้เป็นการทำบุญนะการสวดก็เป็นการศึกษาหนึ่งสองเป็นการฝึกจิต ฝึกสติฝึกสมาธิแต่ยังไม่มีผลบุญเกิดขึ้นถ้าอยากจะให้บุญแก่ผู้รงรับต้องไปทำทานทำทานอุทิศทำทานอะไรก็ได้ใส่บาตรก็ได้ถวายสังฆทานก็ได้ถวายผ้าป่าถวายกระถิ่นอะไรต่างๆเหล่านี้ ทำกับวัดก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับมูลนิธิก็ได้ทำกับสัตว์ก็ได้อทำกับสุนัขทำกับแมวทำกับนกทำกับปลาให้เขาได้รับประโยชน์จากการกระทําของเราก็เป็นบุญขึ้นมาแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ทันทีเดี๋ยว ควรจะเอ่ยเพราะไม้นจะไม่รู้ว่าใคร เ, <น>เวลาอุทิศก็ต้องนึกถึงคนนั้นถ้าจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้นึกว่าเป็นใครก็แล้วกันเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ต้องจำชื่อก็ได้หรือไม่รู้จักชื่อเพิ่งพบกันแล้วเขาก็ตายไปก็่อนขออุทิศให้คนที่เพิ่งเจอกันเมื่อกี้นี่แลหละชื่ออะไรก็ไม่รู้ล่อะอย่างนี้ก็ได้ เกิดใช่้างเอ่ยก็ได้ไม่เอ่ยก็ได้นอกจากมีหลายคน <laughs> ก็ต้องเอ่ย <laughs> ถ้ามีบิดาหลายบิดาก็ต้องว่าบิดาคนไหน <laughs> ถ้าบิดาทุกคนก็ไม่ต้องเอ่ยก็ได้ขออุทิศให้บิดาทุกคนอมารดาทุกคน <laughs> แต่ถ้ามันหลายคนมันก็จะต้องแบ่งกันะออมันก็จะได้น้อยถ้าให้คนเดียวนี่มันจะได้เยอะกว่าใช่ไหมถ้าเรามีมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเรา ให้ลูกคนหนึ่งกับให้ลูกสี่คนนี่มันก็ไม่เท่ามันก็มากน้อยไม่เท่ากันถ้ามีลูกคนเดียวมันก็ได้หมดเลยร้อยเปอร์เซ็นถ้ามีสี่คนเข้าไปแค่คนละยี่้าเปอร์เซ็นตค่ะคำถามจากคุณตรีชา ขณะนี้คุณแม่หนูใกล้เสียชีวิตแล้วทุกวันนี้ก็เหมือนนอนรอเวลาอยู่หนูขอแนวทางการวางใจในระยะนี้ค่ะเพราะว่ามีความเครียดมากอ๋อก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แม่เราทั้งคนเดียวที่รอความตายอยู่พวกเราทุกคนนี้ก็รอความตายอยู่กันทั้งนั้นนะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนใครด้วยซ้ําไปดีไม่ดีเราไปก่อนแม่ก็ได้มาเครียดทําไมเดี๋ยวตายเพราะความเครียดก่อนนะ ยอมขอร้องหน่อยนะยอมอยากคุยกันตรงนี้นะน่าจะคุยกันไปคุยที่ต้นโพ น, น, นะเพราะว่ามันรบกวนคนที่เขาพูดเขาคุยกันตรงนี้นะอ่คําถามต่อไปคําถามจากคุณนงนุษย์นั่งสมาธิแล้วรู้ตัวว่าคอแห้งค่ะถ้ากลืนน้ําลายก็เท่ากับเราออกจากสมาธิใช่หรือไม่คะ ก็แสดงว่าเราหยุดทำสมาธิไม่ได้ออกเพราะยังไม่ได้เข้าแหมจะออกจากสมาธิยังไม่เข้ามันจะออกได้ยังไงเพียงแต่ว่าเรายังยุติการการการปฏิบัติเพื่อให้เข้าสมาธิอยู่แต่ยังไม่ได้เข้าถ้าเราหยุดก็เหมือนขับรถแล้วเราก็หยุดรถเงียขอลงไป ลงไปฉี่ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเริ่มใหม่ถ้าแข่งรถก็แพ้เขาอลไรใช่มเนี่ยเวลาแข่งรถสนามแข่งนี่เวลาปลวดฉี่เราจะขอจอดมาฉี่หรือเปล่าถ้าเราจอดฉี่ก็แสดงว่าเราขับสู้เขาไม่ได้และเราฉี่เสร็จกลับมาขับรถคนอื่นเข้าไปไหนแล้วไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ถึงหลักชัยแล้วก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันพอเราภาวนาแล้ว เ, เ, เราเริ่มนั่งสมาธิแล้วเราหยุดกิจกรรมทางร่างกาย ทั้งหมดแม้ว่ามันจะคันก็ไม่ต้องเกามันจะเกินน้ำลายก็ไม่ต้องเกินอมันจะรู้สึกว่าเองไปทางซ้ายทางขวาก็ไม่ต้องไปขยับมันะอย่าไปยุ่งกับร่างกายให้ทํางานของใจเพียงอย่างเดียวถ้าพุทโธก็พุทโธไปดูลมก็ดูลมไปมันถึงจะเข้าสู่ความสงบได้คําถามจากคุณบุญชู พอนั่งสมาธิไปพักหนึ่งแล้วมีอาการนิ่งเหมือนจะวูบลงสู่ความสงบแต่ไม่วูบผมเลยภาวนาถีผมผมเลยพุโทโธถีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่วูบลงไปแต่กลับเหมือนมีอาการเครียดแบบนี้ทําผิดวิธีใช่ไหมครับเพราะเกิดความอยากอยากให้มันวูบอะไรเร่งผิดแะอยากไปเร่งเคยเคยยังไงมันกำ ล, ลังจะวูบก็ลักก็ทําต่อไปเดี๋ยวมันก็วูบเอง แต่พอเกิดความอยากปั๊บมันก็เลยมาเป็นตัวขวางความที่จะมันจะวูบเข้าไปฉะนั้นอย่าไปอย่าไปอยากให้มันวูบถึงแม้จะรู้สึกว่ามันใกล้จะวูบแล้วก็อย่าไปสนใจทําตามตทําต่อไปเหมือนเดิมเอก็พูดโทช้าก็พูดโธไปเหมือนเดิมอย่าไปเร่งอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนเกียร์เหมือนขึ้นเขากําลังจะขึ้นไม่ไหวแล้วอันนี้ต้องเปลี่ยนเกียร์อันนี้ไม่จําเป็นนะ ออย่าให้ความอยากเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความอยากมันเป็นตัวทําให้จิตนี้ไม่ไม่สงบทําให้จิตวุ่นวายคําถามจะคุณจันยิม้มสังฆทานเวียนที่ทางวัดจัดให้เราทําตามกําลังศรัทธาญาติให้แก่ญาติผู้ร่วงรับและเราจะได้บุญในส่วนนี้ไหมแล้วเราควรจะหาไปเองหรือใช้ของวัดได้คะก็อยู่ที่เจตนาว่าเรา ต้องการทําสังฆทานนี้ให้กับใครถ้าทําให้กับวัดก็ก็ทำได้เพราะวัดเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่านา้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายบุญน้าซ่อมแซมกุฏิวิหารโบสถ์เจดีย์อะไรต่างๆซึ่งบางทีอาจจะไม่พอไม่ไม่ได้รับจากการหยอดตู้ในยอดเหรียญในตู้ไม่พอใช้ทางวัดเขาก็เลยต้องหาวิธีหาเงินเพิ่ม ก็บางทีมีญาติโยมมาทำบุญโดยที่ไม่ได้เตรียมข้าวของมาอยากจะถวายสังฆทานเห็นวัดเขาตั้งสังฆทานวางไว้ให้ซื้อไปถวายพราอย่างนี้ก็ทำได้ อันนี้ก็ไม่เสียหายมันก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการถวายของให้กับพระแล้วเราเห็นว่าของที่เขาจัดมาเวียนเทียนนี่พระคงจะไม่เอาพระได้มาก็คงจะให้กับให้ให้วัดกลับคืนไปก็อาจจะถ้าต้องการให้พระใช้ของเราก็ต้องซื้อของที่เขาใช้ได้ไปถวายพระอันนี้เรื่องของผู้รับนะแต่ผู้ให้นี่ให้แบบไหนก็ได้บุญเหมือนกัน ให้แบบสังฆทานเวียนเนื้อให้แบบให้กับพระเพื่อให้พระจะได้เอาเข้าของไปใช้ตามที่ขาดที่พระขาดแคลนได้ก็ได้บุญเหมือนกันตต่างกันที่ที่ผู้รับว่าได้ประโยชน์ต่างกันถ้าถวายเพื่อให้เป็นเป็นเป็นรายได้ของวัดนี่วัดก็ได้ไปถ้าถวายเพื่อให้พระ ได้ของใช้พระก็ได้ไปวัดก็ไม่ได้เห็นมันแล้วแต่ว่าเราต้องการจะถวายให้กับใครถวายให้กับวัด ก, ก็คือถวายเงินทองด้วยการซื้อสังฆทานเวียนนี่แหละพ อ, พอพอพระรับเสร็จพระ ก, ก็ยกให้กับวัดไปวัดก็จะได้เอามาขายใหม่เพื่อที่จะได้เอาเงินที่ญาติโยมมาซื้อสังฆทานนี้ไปบูรณะซ่อมแซมวัดต่อไปมันก็ได้ทั้งสองอย่าง แต่วิธีแบบนี้มันไม่ค่อยสวยงามนะถ้าวิธีถังของพระแท้พระปฏิบัติท่านจะไม่ทําแบบนี้ท่านจะไม่ขอแล้วท่านก็อยู่ตามมีตามเกิดถ้าไม่มีโบสถ์ก็ไม่ต้องสร้างมันไม่มีเงินสร้างโบสถ์ก็ไม่ต้องไปสร้างมันไม่มีเงินสร้างเจดีย์ก็ไม่ต้องไปสร้างมันไม่ไปเรียดลายไม่ไปหาเงินมา ว่าหน้าที่ของพระที่แท้จริงไม่ได้มาหาเงินหาทองมาหาธรรมมาบวชเพื่อมาหาธรรมเมื่อได้ทำแล้วก็เอามาแบ่งให้กับญาติโยมมาเผยแผ่ธรรมให้กับญาติโยมส่วนญาติโยมอยากจะทําบุญหรือไม่ทําบุญก็ไม่เป็นปัญหาอะไร น, นี่คือมันมันจะสวยงามกว่าจะทําให้คนไม่ไม่เครือบแคลงใจว่ามามาทําอะไรกันนะ่สมัยนี้วัด ของเราเดี๋ยนี้กลายเป็นเรื่องเงินเรื่องทองไปหมดเนี่ยไปที่ไหนมีติดตู้บริจาคมีเขียนป้ายอ้อหะผ้าป่านู่นผ้าป่านี่เยอะแยะไปหมดจนกระทั่งไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะความดีนี้มันเป็นเพียงเปลือกของศาสนาเท่านั้นเองเนื้อของศาสนานี่เราเราลืมมันไปแล้ว การจะเข้าหาเนื้อศาสนาต้องเข้าหาด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเราถึงจะได้เนื้อของศาสนาคือธรรมะคือรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง ตอนนี้เราไม่หารถแห่งธรรมแล้วเราหาเปลือกของศาสนาหาเครื่องประดับของศาสนากันสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างอะไรสวยสดงดงามแต่เดี๋ยวไม่กี่ปีก็ชำรุดะล้ะต้องมาทำผ้า ป, ป่าเพื่อที่จะมาบุรณะปฏิสังขรอยันนี้ก็ทำกันไปอย่างนี้แต่เนื้อของของศาสนาไม่ได้กินกันเลยได้กินแต่เปลือกไปวัดที่สวยงามแต่ไม่มีธรรมะในใจ นี่คือถึงทา ง, ทางสายปฏิบัติทั้งถึงไม่ค่อยวุ่นวายกับเรื่องถาวรวัตถุต่างๆท่านอยู่ไปตามมีตามเกิดพอหลบแดดหลบฝนได้ก็โอเคแล้วเนี่ยหมะสาลาหลังเนี้ยใครมาก็ว่าแหมมันไม่น่าดูเลยมไม่น่าดูไม่ได้ทำให้มันน่าดูเลยทำให้ใช้ถังหกักทำให้มันใช้หลบแดดหลบฝนได้มันจะน่าดูไม่น่าดูก็มไม่สำคัญใช่ไหม ขอให้เวลาฝนตกไม่เปียกก็โอเคแดดออกไม่ร้อนก็โอเคมันจะดูแล้วเก่าค้ำค่าหรือไม่สวยไม่งามก็เรื่องของเรื่องของความสวยงามมันไม่เกี่ยวกันนะทางสายปฏิบัติถ้าเป็นเรื่องท้าวาวันละวันเถอก็เพื่อใช้ประโยชน์เท่านั้นเองเท่าที่จําเป็นต้องการเอาเวลามาทุ่มเทให้กับการศึกษากับการปฏิบัติ ถ้ามามั ว, ม, วมัวสร้างของสวยๆงามๆแล้วก็ต้องมาคอยดูแลรักษามันก็ไม่มีเวลาไปศึกษาไปปฏิบัติกันเอฉะนั้นโยมไปวัดป่าจริงๆเนี่ยจะไม่มีถาวรและวัตถุให้ดูถ้าอยากจะถ่ายรูปต้องไปวัดที่เขาวมีโบสถ์สวยๆมีเจดีย์งามๆให้ไปถ่ายแต่ถ้าไปวัดป่าเนี่ต้องไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมนะคําถามจากคุณโบ ถ้าเราต้องทำงานด้วยและเราปฏิบัติด้วยเราจะมีการวางใจอย่างไรเมื่อเกิดปัญหาขึ้นและเราต้องแก้ปัญหามันก็ต้องแก้ไปสิไม่ว่าจะทำงานหรือไม่ทำงานจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติมีปัญหาก็ต้องแก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ไปถามคนที่แก้ได้ให้เขาช่วยแก้ให้ก็เท่านั้นเองไม่ว่าจะ ทำอะไรมันก็ต้องมีปัญหาดังนั้นโลกนี้คือโลกของปัญหาที่เรามาเรียนกันนี้ก็มาเรียนวิธีแก้ปัญหากันดังนั้นถ้าเราเรียนไม่เรียนไม่จบเรียนไม่ เรียนไม่ทั่วถึงเวลาแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องไปถามผู้เชี่ยวชาญใช่หไหเวลาลดเสียก็เป็นปัญหาแล้วแก้ยังไงลดเสียเราแก้เองไม่ได้ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญแก้ให้สิส่งไปที่อู่ผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะดอูอ้อยางแตกหรือว่าอะไรเสียเาก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนใจก็แก้ปัญหาได้ไป ก็ท่านั้นเองมีปัญหาก็ต้องแก้ไม่ว่าจะทางโลกหรือทางธรรมถ้าแก้เองไม่ได้ก็ต้องไปถามคนที่ก็แก้ได้ให้ช่วยช่วยบอกช่วยแก้ให้คำถามจากคุณนรุมน เมื่อวานเกิดโทสะความน้อยใจสักพักมันสอนจิตว่ากายเราไม่ใช่เราเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเห็นกระบวนการความคิดฟุ้งซ่านเป็นสายแบบนี้เรียกว่าอย่างไรเจ้าคะก็ถามมันจะเป็นยังไงมันจะว่าถามแลอ้าว ก็เห็นว่าร่างกายเป็นดินน้ําลมไฟมันก็เป็นดินน้นําลมไฟความคิดเป็นสายมันก็เป็นสา ย, ยแล้วจะมาให้เรียกอะไรอีกล่ะมันก็เป็นอย่างที่คุณบอกอยู่แล้วจะถามว่าอยากจะรู้ว่ามันเป็นอะไรดีกว่ามาถามชื่อมันเราไม่รู้จักชื่อมันหรอกมันก็เป็นกระแสของความคิดความคิดเราก็เป็นเหมือนสายน้ำเนะี่ยเห็นไหมคิดถึงนรื่องนั้นมันก็ เหมือนเนี้ยเรื่องกระแสน้าไหลมาเราไปนั่งที่ท่าน้ำเดี๋ยวก็ดูเรือไหลมาดูกองขยะไหลมาดูอะไรไหลมาความคิดของเราก็ไหลเหมือนกับกระแสน้ำเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องนั้นคือคิดถึงเรื่องนี้คิดแล้วก็เกิดอารมณ์ดีใจเสียใจก็นี่แหละก็คือกระแสของความคิดกระแสของอารมณ์ส่งพิจารณาร่างกายว่าเป็นดินน้าลมไฟมันก็เป็นดินน้าลมไฟแล้วทาไมล่ะ พิจารณาเพื่ออะไรเลยพิจารณาเพื่อปล่อยวางเพราะเราไม่เราไม่ไไปถือว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟเราไปถือว่ามันเป็นตัวเราของเรากันเนี่ยมันตัวนี้แหละตัวที่เราต้องมาแก้คือความหลงหลงไปเห็นดินน้าลมไฟว่าเป็นเราแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครด้วยซ้าไปที่ว่าเราเราที่เวลาเราเรียกว่าเรานี่เป็นใครกัเป็นผมเหรอเป็นขนเหรอเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกว่า ไม่เป็นแต่ทําไมเวลาใครมาแตะถึงไปโกรธเขาล่ะออก็ถือว่าไปเป็นเราถือว่าผมเป็นเราเป็นของเราพอใครอามือใครเอามือมาแตะผมหน่อยก็โกรธแล้วเอาเอาใครเอามือมามาจับศรีรษะหนก็โกรธแล้วเพราะไปถือว่าศรีรษะนี่เป็นเราเป็นตัวเราเพราะไม่พิจารณาว่ามันเป็นแค่ศรีรษะเป็นดินน้ำลมไฟถ้า ถ้าถ้ารู้ว่ามันเป็นดินน้ํำลมไฟใครจะไปแตะก็ไม่ไปโกรธมันเวลาเข้าไปแตะดินที่อื่นทำมาันไม่ไปโกรธทำมันมามาแตะดินก้อนนี้ถึงไปโกรธอ่ะก็เพราะว่าเราไปยึดไปติดว่าเป็นของเราอีกและมันก็ไม่ใช่ของเราอีเอะดินน้ํำลมไฟมันเป็นของใครมันไม่เป็นของใครดินก็เป็นของดินน้ําก็เป็นของน้ำํำนี่คือการพิจารณาเพื่อให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา เพื่อเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดไปหวงไปห่วงกายจะไปทำอะไรกับมันก็ช่างมันไปไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดนี่คือการพิจารณาดินน้ำลมไฟพิจารณาให้ปล่อยวางร่างกายให้ให้ถถอว่ามันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราให้ถถอว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนกับดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ทั่วๆ่วไป แล้วใครจะทำลายกับร่างกายก็จะได้ไม่ไปเดือดร้อนก <g iggle> ็ถือว่ามันเป็นการกระทำกับดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองคำถามจากคุณโอฮูหนูทำงานคนเดียวเลี้ยงครอบครัวและพ่อแม่แฟนหนูไม่ได้ทำงานเขาเลี้ยงลูกให้แฟนของหนูบอกบอกว่าเอาเงินของหนูให้พ่อของแฟนสองหมื่นหนูเลยบอกว่าดีแล้ว หนูยินดีกับการให้เงินพ่อแม่ของแฟนอยากทราบว่าแฟนของหนูจะได้บุญไหมคะไม่ได้ถ้าเป็นเงินของหนูหนไูได้บุญถ้าหนูอนุโมทนาถ้าหนูยินดีหนูก็จะได้บุญอย่างที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังนะถ้าแฟนเอาเงินไปทำบุญเอาเงินไปให้พ่อให้แม่ของเขาแต่ตแต่เป็นเงินของเราแล้วเขามาบอกทีหลังถ้าพอเรารู้อยู่ที่เราว่าจะได้บุญหรือไม่ได้บุญ ถ้าเราอนุโมทนายินดีเราก็ได้บุญถ้าเราเสียใจเสียดายเราก็ได้ทุกข์ฉะนั้นนี่คือเรื่องของทำไมเราต้องต้องอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญเพื่อไม่ให้เราเกิดความเสียใจ ทุกใจกับการสูญเสียของของเราไปให้คิดว่าเป็นการทําบุญเหมือนลูกนี้ไม่ยอมจ่ายหนี้ก็อนุโมทนามันไปว่ า, เ, าเป็นการทําบุญเหมือนขอเอาเงินเราไปเราไม่ถือว่าเป็นหนี้กันถือว่าเป็นการทําบุญกันมันก็มันก็เป็นสุขใจขึ้นมาฉนั้นของนี้อยู่ที่ว่าเป็นเงินนีิบยึดขึ้นว่าอยู่ว่าเป็นของใคร ถ้าเป็นของหนูหนูก็ได้ร้อยทั้งร้อยถ้าเป็นของหนูกับสามีก็ห้าสิบห้าสิบนะแต่ว่าสถานภาพของเงินก้อนนั้นมันเป็นของใครอยู่ตรงนั้นคําถามจากคุณนัทิชาทุกวันพระถ้าเราไม่สามารถไปทําบุญได้แต่จะฝากเงินแม่ไปทําบุญเราจะได้อ น, นิสงฆ์ไหมคะได้ได้เต็มร้อยนะทําร้อยก็ได้เต็มร้อย คำถามจากคุณธีรยุทธการนิมนต์พระมาที่บ้านทําบุญเลี้ยงเพนถวายสังฆทานครบรอบบรรทายของบรรพบรุษปีละครั้งผู้ล่วงรับไปแล้วจะได้รับไหมครับได้ทําที่ไหนก็ได้ไม่ต้องนิมนต์มาที่บ้านก็ได้ไปทําที่วัดก็ได้ถ้าไม่สะดวกสมัยนี้มันเดินทางไปไหนมาไหนมันลําบากต้องมีรถมีอะไรต้องไปคอยรับพระส่งพระ ก็ยุ่งยากก็ไปทำที่วัดก็ได้แล้วแต่ความสะดวกจะนิมนต์มาที่บ้านก็ได้บุญก็เท่าก yo, ันบ mm ุญไม่ได้อยู่ที่สถานที่บุญอยู่ที่เงินที่เราทำมากหรือน้อยคำถามจากคุณวันวิพานั่งสมาธิแล้วเห็นจิตกระเพื่อมตลอด ต้องกำหนดหรือปฏิบัติอย่างไรต่อคะก็นั่งไม่ถูกไงก็นั่งสมาธิไม่ให้นั่งดูจิตให้ดูลมดูลมหายใจเพื่อที่จะทําให้จิตสงบถ้าดูจิตแล้วไม่มีวันสงบถ้าต้องการให้มันสงบต้องดูลมหายใจหรือไม่เช่นั้นก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปคําถามจากคุณคมกฤิเมื่อทําสมาธิจ น, จนจิตสงบแล้วควรวางจิตหรือกําหนดจิตอย่างไรต่อไปครับ ก็วางจิตเหมือนเดิมให้มันสงบไปนานๆจะไปให้ทำอะไรทำจิตให้สงบเพื่อให้มันสงบนานๆพอมันสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรคอยรักษาความสงบไว้ถ้ามันจะคิดนู่นคิดนี่ก็หยุดมันถ้ามันคิดว่าจะเลอกนั่งแล้วก็ก็หยุดมันมานั่งต่อไปมันดีจะตายไปจะไปเลิกนั่งทำไมถ้ามันสงบจริงมันไม่อยากจะลุกหกเหมือนกับดูหนังดีแล้วมันไม่อยากจะลุกกับปวดฉี่มันยังไม่ยอมลุกเลย ทันได้ก็อย่างนั้นแหะเหมือนกับดูหนังนะนั่งสมาธิก็เหมือนันดูหนังดูให้มันจบนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วก็ให้มันสงบไปจนกว่ามันจะหายสงบนั่นแหละถึงค่อยทําทอะไรต่อไปคําถามจากคุณมองให้สุดปลายฟ้าหนูชอบฝันเห็นคนที่ตายแล้วต้องทําอย่างไรคะอะ่ก็อุทิศบุญแม่เขาสิทําบุญใส่บาตรอุทิศไปก็เท่านั้นะ ถ้าแต่ไม่ได้อุทิศเพื่อให้เขาหายไปไม่ให้ไม่ให้ฝันถึงเขานะเนี่อทาบุญวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนี้อาจจะฝันถึงเขาอีกก็ได้คาคำว่าอุทิศบุญก็คือว่าเราคิดเผื่อไว้ไงว่าเวลาเราฝันถึงคนตายนี้ความหมายก็คืออาจจะเป็นคนตายเข้าฝันเราเขามาหาเราเขาไม่มีวิธีเข้ามาหาเร า, เ า, เ า, า, า, เรานอกจากตอนที่เรานอนหลับตอนที่เราฝันเขาก็จะเข้าตอนนั้น แต่มันอาจจะไม่ได้เป็นความความจริงอย่างนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นเพราะใจเราคิดถึงเขาเองแล้วเราคิดไปเป็นความฝันไปมันก็เป็นสองอย่างเป็นถ้าเป็นจริงก็คนตายมาหาเราถ้าไม่จริงก็เราคิดถึงเขางั้นฝันเห็นคนตายมันเป็นได้สองแบบแบบจริงกับแบบเทียมแบบจริงคือเข้าเข้ามาหาเราแบบเทียมก็คือเราคิดไปเองงั้นการที่เรา ฝันแล้วเราจะทําอะไรก็ได้ไม่ทําอะไรก็ได้เช่นเราจะทําบุญอุทิศให้เขาก็ได้ไม่อุทิศให้เขาก็ได้แต่เราจะไปห้ามไม่ให้เราฝันถึงเขาหรือห้ามแม่เขาเข้ามาหาเราไม่ได้ทําบุญแล้วเราคิดว่าเราจะไม่ฝันถึงเขาอีกก็ไม่ได้ทําแล้วคืนนี้อาจจะฝันอีกก็ได้ยังไต้องต้องถามตัวเองว่าเราต้องการอะไรจากการที่เรานอนหลับแล้วฝันถึงคนตาย ถ้าเราต้องการไม่ฝันถึงคนตายก็อย่าไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ปล่อยมันมันฝันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็เลิกฝันเองเดี๋ยวมันเบื่อมันก็ไม่ฝันเองแต่ถ้าจะไปกําจัดมันด้วยการทําบุญอุทิศมันกําจัดความฝันไม่ได้มันไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันคําถามจากคุณเชอรี่การบริกรรมพุทโธเพื่อให้เกิดการเข้าสมาธิได้เร็ว เราควรบริกรรช้าๆหรือบริกรรแบบถี่ๆคะแล้วแต่ว่าวิธีไหนเหมาะกับเราคือเป้าหมายคือให้เราควบคุมความคิดแม่มันคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าบริกรรเร็วแล้วมันคิดก็ลองมาบริกรรช้าดูถ้าบริกรรช้าแล้วมันคิดก็ลองบริกรรเร็วดูแต่มันไม่ใช่อยู่ที่บริกรมมันอยู่ที่ใจเราจดจ่ออยู่กับคำบริกรรหรือไม่ถ้าเราไม่จดจอ่อ เพียแต่บริกรรมแต่ปากแต่ใจก็คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้บริกรรมไปก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะช้าหรือจะเร็วถ้าบริกรรมแล้วมันมีความคิดก็อยู่ก็ต้องจดจอ่อให้มันอยู่กับพุทธโธให้มากขึ้นอย่าให้มันไปที่อื่นพูด ง, ง่ายๆแค่มันไม่ได้อยู่ที่ช้าหรือเร็วอยู่ที่การจดจอ่อ ช้าหรือเร็วนี้อาจจะอยู่ที่จิตมันฟุ้งหรือไม่ฟุ้งถ้าฟุ้งอาจจะต้องใช้มันเร็วถ้ามันไม่ฟุ้งก็ไม่ต้องเร็วอันนี้แล้วแต่กรณีเหมือนขับรถต้องรู้จักเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเขาก็ต้องใช้เกียร์ต่ำวิ่งอยู่พื้นราบก็ใช้เกียร์สูงได้แล้วแต่สถานการณ์ของเหตุการณ์หมดกันเลยถามไปเรื่อย คำถามจากคุณพิมลพันธ์การปล่อยวางจากคํานินทาว่าร้ายต้องทําอย่างไรคะก็ทําแบบที่เราปล่อยวางอย่างเรื่องอื่นสิเวลาเสียงฟ้าผ่านี่เรารู้สึกเราปล่อยวางได้ไปะ่ะปล่อยวางได้ก็คํานินทาก็คิดว่าเป็นเสียงฟ้าผ่าไว้นั่นเองก็ปล่อยวางได้นะ <laughs> มันจะยากเย็นตรงไหนเลยเราไม่ยอมถือว่ามันเป็นเสียงฟ้าผ่านี่น เราไปเสียงเราไ่คิดว่าเป็นเสียงที่เราสั่งได้สั่งให้มันหยุดได้สั่งมันให้มันหยุดได้เปล่าสั่งให้คนเขาเลิกดินทาเราได้เปล่ามันก็สั่งไม่ได้สั่งให้สั่งให้เสียงฟ้าผ่ามันไม่มันไม่มีได้เปล่ามันก็ไม่ได้ก็ให้มันถือว่าคำนินทาเป็นเหมือนเสียงฟ้าผ่ามันก็จบก็ปล่อยมันปล่อยมันนินทาไปเลยปล่อยให้เสียงฟ้าผ่ามันผ่าไปก็เท่านั้นเอง ทำไมเราปล่อยเสียงว่าผ่าได้ทำไมปล่อยเสียงนินทาไม่ได้มันก็เสียงเหมือนกันเราเราไม่ยอมปล่อยเองไม่ใช่ไม่ไหวใช่ไหมคำถามจากคุณธีรยุทธ บางช่วงชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ประสบความสำเร็จคนก็พูดว่าดวงกำลังขึ้นแต่บางช่วงชีวิตทำอะไรไม่ดีเลยตกอับคนก็จะบอกว่าดวงตกคำว่าดวงมีจริงหรือเปล่าครับมัน ไ, ไม่มีจริงว่าที่มันเกิดขึ้นนี้เป็นอะไร เพียงแต่เราเรียกว่ามันเป็นดวงความจริงมันจะเรียกว่าดวงก็ได้เป็นเหตุการณ์ของชีวิตก็ได้ชีวิตเราก็เหมือนกับการเดินทางบางทีถนนมันรถก็มากก็วิ่งช้าหน่อยบางทีอุบัติเหตุก็ติดกลับอยู่งั้นบางทีรถเสียบางทีรถคว่อชีวิตของเราก็อย่าง น, นี้บางทีก็ราบลื่นบางทีก็ขุ่นคัค่ ก็จะเรียกว่าดวงจะเรียกว่าชะตาจะเรียกว่ากรรมอะไรก็เป็นแค่ชื่อที่เราไปแปะไว้กับเหตุการณ์เท่านั้นเองความจริงมันก็เป็นอย่างนี้ความจริงของชีวิตท่านได้บอกว่าเป็นอนิจจงอ น, นิจจงทุกขงังอนัตตาเนี่ยอันนี้แหละคือความจริง อันนี้จังก็คือไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงอนัตตาไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันขึ้นอย่างเดียวไม่ได้สั่งไม่ให้มันลงไม่ได้พอมันสั่งไม่ได้ก็ทุกข์กันเท่านั้นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปสั่งยินดีตามมีตามเกิดขึ้นก็ขึ้นลงก็ลงแล้วแต่ถนนมันจะพาไปบางทีมันพาเราขึ้นเขามันก็ต้องขึ้นเวลามันพาเราลงเขาเราก็ต้องลงไปตามถนนชีวิตท่านนึงบอกว่าให้ใช้กฎ ให้น่าลึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาชีวิตของพวกเราก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันเป็นไปตามที่เราอยากปล่อยให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าเรายังอยากให้มันเป็นเป็นอย่างอื่นพอมันลงก็อยากจะให้มันขึ้นพอขึ้นก็อยากจะให้มันขึ้นเรื่อยๆพอไม่ขึ้นมันหมดแรงแล้วมันก็ยอยากให้มันขึ้นอีก มันก็ทุกข์ <laughs> พอลงก็ไม่อยากจะให้มันลงก็ทุกข์อีกแต่ถ้าปล่อยมันขึ้นปล่อยมันลงไม่ต้องมีความอยากไปเกี่ยวข้องจะไม่ทุกข์ค่ะคำถามจากคุณอลิสาการที่เราถูกโกงจะเป็นทุกชาติหรือเปล่าคะก็ลองดูสิมันถามเราทาไม <laughs> ถ้าเราโกงเข้ามามัน ก, ก็ต้องถูกเขาโกงกลับนะกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนั้นเอะ ถ้าเรากงเขาทุกชาติเราก็ต้องถูกเขากงทุกชาติเนีถ้าเราเลวกองเมื่อไหร่เราก็จะไม่มีคนมากงเราคำถามจากคุณสายไหมกรรมตัดรอนคือกรรมที่เกิดขึ้นแบบไหนคะไม่รู้เหมือนกันนะนี่ยมีกรรมดีกรรมชั่วมันกรรมตัดรอนยี่ไม่รู้เป็นกรรมไ มีกรรมสามอย่างกรรมดีกรรมชั่วแล้วกรรมกลาง ๆ, ๆไม่ดีไม่ชั่วส่วนตัดล้อ น, นี้เป็นกรรมที่เราผลิตกันสร้างกันขึ้นมาเองมคิดกันขึ้นมาเองคิดค้นใหม่ๆคิดค้นกรรมใหม่ๆอันนี้ไม่รู้ไม่ไม่มีในคำสอนของพระพุทธเจ้านะกรรมมีสามอย่างมี ม, มีมีดีมีชั่วแล้วก็กลางๆไม่ดีไม่ชั่วหมดแล้วใช่ไหม